ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แนวแน่โอกาสที่เราจะได้ทำความเพียรทางจิตใจนี่มันยากเหลือเกินมานคือกิเลสมันย่อมลุกรานจิตใจนี้ให้พุ่งเพ้อ เมื่อใจพุ่งแล้วกายวาจาก็พุ่งไปตามกันสงบไม่ได้<ม>เนี่ยเรื่องของกิเลสนเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรม ะ, นะ้มันเป็นของสงบเมื่อจิตใจอย่างเข้าสู่ธรรมะแล้วมันก็สงบลงได้เป็นอย่างนั้นธรรมะนั้นหมายความว่า ธรรมชาติจิตใจรู้เท่าธรรมชาติตามเป็นจริงแล้วมันก็สงบลงได้หายอยากหายหิวเพราะว่าจิตมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดา ไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยโลกธนิวตัตอันนี้จิตมันพิจารณาเห็นอย่างนี้เรามันจึงค่อยหายอยากจึงค่อยไม่อยากไม่ฝ่าธนาที่จะไปผูกพันกับโลกอันนี้โยความผูกพันหมายถึงว่าจิตยินดียินร้าย ตามกระแสของโลกนั่นเ ร, เรียกว่าจิตผูกพันถ้าเพียงว่าจิตรู้สภาพความเป็นไปของโลกตามธรรมดาแล้วเราก็ดำเนินไปตามความเป็นธรรมดาของโลกนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้าย อย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์มีโทษอะไรทางจิตใจเพราะว่าใจไม่ยึดไม่ถืออาศัยนีโลกนี้อยู่แต่ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวก็ทำจิตให้เป็นเหมือนกับน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวใบบัวเปรียบอุปมาเหมือนจิตจิตที่ฝึกดี แล้วที่เลทซึมทราเข้าสู่จิตที่ฝึกขนอบรมดีแล้วไม่ได้ฉันใดน้ำก็ไม่ทึมเข้าสู่ใบบัวก็ฉันนั้นเหมือนกันฉะ น, นั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัตนั้นฝึ ก, กจิตใจของตนดังกล่าวมานี้ เราอาศัยในโลกนี้อยู่แต่ว่าใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเราอาศัยปัจจัยสี่เป็นอยู่แต่ว่าอาศัยด้วยความรู้เท่าอย่างรับประทานอาหารอย่างนี้ก็พิจารณาก่อนไม่รับประทานด้วย ความอยากความหิวพิจารณาให้เห็นลงเป็นสภาวธาตมนี่สัตว์โตมีใช่สัตว์นิชีโวมช่สดชีวิตศูนโยเป็นของว่างเปล่าว่างจากสัตว์จากบุคคลพิจารณาลงเห็นอย่างนี้แล้วจึงบริโภคอาหารไปมันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดโทษอะไร ราการบริโภคอาหารนั้นไม่ติดอยู่ในรสชาติของอาหารนั้นผ้านุงผ้าหม่มแม้จะมีเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดสีสันวัณณะคลํำข้าหรือว่าสีสันวัณณะเปล่งปังก็ไม่หลงไหลในผ้าก็ต้องพิจารณาลงให้เห็นเป็นา้าตามเดิม นี่เป็นแต่เพียงาธาตุดินเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างไอ้อันใดที่มันเข้มแข็งอันนั้นก็เป็นาธาตุดินไปอย่างนี้ที่นาเห็นว่า น, นุ่งห่มผ้านี่ก็เพื่อป้องกันสิ่งที่ควรจะละอายแล้วก็ป้องกันลิ้นยุง อสดตสาๆไม่ให้มารบ ก, กวนอย่างนี้แหละพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงค่อยนุ่งหม่มผ้านุ่งผ้าห่มนั้นมันก็ไม่เกิดกิเลสเพราะนุ่งห่มผ้านั้นประทักแต่ว่านุ่งห่มไปพอบังอายอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นกาหนดพี่นาให้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ เห็นอันว่าไม่ติดไม่คล้องอยู่ในผ้านั้นเราอยู่ที่อยู่ที่อาศัยเสยนาสนะอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยหรือบ้านเรือนอาคาราต่างๆก็ดีเราต้องพิจารณาเสียก่อนพิจารณาว่าอาคารบ้านช่องหรือกุฏิวิหารต่างๆนี้ มันก็เป็นได้เพียงธาตุดินเท่านั้นเองอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่ได้อาศัยอยู่ตลอดไปเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเมื่อตายวันไหนลงไปแล้วก็ไม่ได้อยู่อาคารหลังนี้ต่อไปดังนั้นจึงไม่ยินดียินร้ายในอาคารสถานที่อยู่อาศัย ถ้าไปยินดียินไลแล้วจิตมันก็ติดก็คล้องมันก็หนีจากอาคารบ้านช่องไม่ได้ถ้าตายลงจิตปิญญาก็วกเวียนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถจะไปทางอื่นได้ดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงสอนให้พิ่นาะให้รู้ตามเป็นจริงเสียก่อนแล้วจึง ปริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยนั้นต่อไปแม้เจ็บใครได้ป่วยลงก็เหมือนกันธรรมดาโรคใครเจ็บในร่างกายนี่มันก็ต้องมียุกยาและเป็นเครื่องระ ง, งับอเอาอยัางอื่นมาระ ง, งับมันไม่ได้ดังนั้นการที่จะ รับประทานยาก็ต้องพิจารณาเสียก่อนรับประทานยานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อระงับโรคภัยในกายนี้ให้บันเทาบาบางหรือหายไปเท่านั้นไม่ได้รับประทานยานี้เพื่อให้อ้วนพีให้มีกำลังแข็งแรง อะไรต่ออะไรเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานอย่างนี้ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นมุ่งรับทานยาเพื่อให้โรคใครให้เจ็บปัญหายไปเท่านั้นเองอนี่แะปัจจัยสี่ 4, นี่สำคัญมากเพราะว่าสัตว์โรคทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์เรา เ, ออเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ ถ้าขาดปัดจจัยสีนี้แล้วตั้งกายสังขารอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่บุคคลพูกน้ไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงก็มกักจะหลงมกักจะติดอยู่ในปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นก็ทำให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ในโลกนี้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้พากันเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราคือดวงจิตนี่มันหลงหลงอยู่ในโลกอันนี้นะหลงสำคัญในโลกนี้สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยโดยเฉพาะโลก ภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้แหละจิตใจก็ได้มาอาศัยอยู่แล้วก็มาหลงสําคัญว่าสวยว่างามสําคัญว่าเป็นของเราของเขาไอ้ยอย่างนั้นมเมื่อจิตมาสําคัญอย่างนี้มันก็ย่อมยึดถือขันทั้งห้า น, นี่ โดยความยินดีบ้างโดยความยินร้ายบ้าง เ, ออเมื่อขันห้านี่เป็นปกติดีก็รื่นเริงบันเทงใจเพลิดเพลินเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขันห่านีเออ้เกิดแปรปวนทุกขเวทนาก็เสียใจไม่พอใจอยากจะให้ร่างกายเป็นอย่างนั้น ไอคนไม่รู้แจ้งโลกคืออัตภาพร่างกายตามเป็นจริงก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะความเสียใจดีใจอย่างที่ว่ามานี้ดังนั้นผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็ควรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี้แล้วเพราะอาศัยขันห้านี้อยู่และประกอบกุศลคุณงามความดีไป เราอาศัยขันห้านี้เพื่อสร้างบุญสร้างบา ร, รมีไม่ได้อาศัยด้วยความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆพเราอาศัยขันทั้งห้านี่เนี่ยแสวงหาทรัพย์สินเงินทองถ้าผู้ครองเรือนนะ่เอได้มาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างในเช่นนี้ แสดงว่าผู้นั้นไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกอาศัยโลกอยู่ห่างไม่ติดเพราะว่าเมื่อมีปัจจัยอะไรมาเราก็ไม่หวงแหนด้วยบริโภคเฉพาะตัวก็ยังคิดแบ่งสรรพันส่วนให้แก่ผู้อื่นบ้างหรือบำรุงสาธารณประโยชน์ให้เกิดเป็นประโยชน์ ในปัจจุบันและเบื้องหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของบุคคลไม่ติดอยู่ในโลกลักษณะของจิตใจที่ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกอาศัยโลกนี้อยู่แต่ไม่ติดจิตใจนั่นนะยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึง่งไว้ไม่ยึดไม่ได้ยึดเอาโลกนี้เป็นที่พึง่ง ยึดได้ก็ไม่ได้อาศัยอยู่นานอะไรเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ย่อมแตกดับลับไปดังนั้นเน่ยจึงต้องภาวนาเตือนจิตอยู่เสมอสมอว่าเราจะต้องปล่อยวางโลกนี้ไว้ตามสภาพจะไม่ยินดีมันจะไม่ยินร้ายมัน อย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดรู้อยู่อย่างนี้เสมอไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ทั้งหลายท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วแต่ว่าบุญวุศลาสนาที่ท่านทำมาแต่ก่อนยังไม่อยู่ยังไม่หมดท่านก็ยังไม่ดับขันเข้าถูพันิพาณ ท่านก็อนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลายไปแล้วก็อนุเคราะห์แก่ขันห้าอันนี้โดยเที่ยวพิกขาจานบินธบัตได้มาแล้วก็มาบำลุงขันห้านี้ไปจนกว่าบุญเก่ามันจะหมดลงแล้วท่านก็ปรงขันห้านี้ไว้ในโลกนี้เสียจิตของท่านก็เข้าสู่ภานิพานไป นี่เราประวัตความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายก็ให้พากันศึกษาให้เข้าใจไว้เมื่อเราเข้าใจปฏิปทาของท่านอย่างนั้นแล้วแล้วก็ทวนกระแสะเข้ามาดูตนของตนว่าตนของตนน่ะมีความประสงค์อะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีความมุ่งหมายอย่างไร ถ้ามีความมุ่งหมายว่าเราจะต้องคิดสร้างบุญบา ร, รมีไปเราจะไม่ให้เวลาผ่านไปเสียปเปล่าหรือไม่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ร่วงโรยไปเสียเปล่านี่เราอยู่ที่ไหนเราจะสร้างบา ร, รมีอยู่ที่นั่นาผูใ้ใดตั้งใจตรงอย่างนี้ก็เป็นอันว่า เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตก็สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสองพุทธเจ้าไม่อ้างการอ้างเวลาไม่อ้างสถานที่อยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติที่นั้นอยู่ที่ไหนก็รักษาจิตใจ ไม่ให้ใจมันหันเหไปทางผิดหรือว่าไปในทางที่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อประคองจิตใจอยู่ในปัจจุบันแล้วกำหนดรู้แจ้งในสังขารร่างกายอันนี้อยู่จิตนี้มันก็เป็นปกติอยู่ได้เพราะมันรู้เท่าตามธรรมดาแล้วมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจอย่างว่านั่นแหละ นี่ยจุดมุ่งหมายการฝึกขนอบรมจิตก็มุ่งให้จิตนี้เป็นอุเบกหาก็ว่าได้ให้วางเฉยต่อโลกสันนิวาสคืออัตภาพร่างกายอันนี้ก็ดีหรือโรคภายนอกนอกร่างกายนี้ออกไปก็ดีก็พยายามทําใจให้เป็นกลางต่อโลกทั้งภายนอกภายในให้ได้ อันโลกภายในคือขันหานี่ก็อย่างว่าเนี่ยจิตใจมันได้อาศัยอยู่ใกล้ชิดดังนั้นเมื่อขันหา น, านี่มันวิบวับแปรพลปนันมันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้จิตนี้ก็ได้รับทุกขเวทนาถ้าผูดด้ใดไม่ได้ฝึกค้นอารมณ์จิตใจมาแต่ก่อนก็มีแต่ความเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจ ไม่มีความอดความทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับท่านที่ได้ฝึกขนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมแล้วเจริญปัญญากำหนดรู้แจ้งในสังขาร น, นามรูปตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพ ท่านผู้เช่นนี้แม้จะได้ไประสบความสุขท่านก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เมาจะได้รับความทุกข์ร่างกายไม่เที่ยงไม่ยังยืนแปรผันวันไหวดวงจิตของท่านก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายทั้งนี้ก็พู้พิจารณาเห็นแล้วว่า มันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตายเพราะในธาตุสีข่ขานามองดูด้วยปัญญาแล้วหาสัตว์ถาบุคคลไม่ได้เลยมีแต่สภาสะะวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองอความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆแม้แต่ดวงจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนนะอย่าว่าแต่ร่างกายเลย ดวงจิตคือความรู้สึกนึกคิดอันนี้นะมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีรูปร่างสันฐานมีสีสันวันนะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยมันเป็นแต่เพียงธรรมชาติรู้เท่านั้นเองนะแต่ตัวเองหลงตัวเองวะ น, นี่นะสำคัญว่าจิตนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของเรา ตามนิยมสมมติว่าจิตเรานี่เป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนี้จิตเราดีหรือว่าจิตเราไม่ดีอันนี้ก็ตัวเองก็สำคัญวเป็นของตัวจริงๆดังนั้นเมื่อมันได้สัมผัสกับความทุกข์ทนได้ยากลาบาก ต, ตา่างๆมันจึงเดือดร้อนนะ พรมันหวงจิดอันนี้ตัวเองหวงตัวเองไม่อยากให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่อยากให้ตัวเองได้รับรู้ความทุกข์นี่สําคัญมากข้อนี้นะก็ในเมื่อจิตนี้ยังอาศัยขันห้านี้อยู่ตราบใดแล้วจะไม่ให้มันได้สัมผัสถูกต้องกับความทุกข์ทนได้ยากลําบากไม่ได้เลยอืม พอเมื่อเมื่อจิตได้อาศัยคนณะนี้อยู่พอเท่ากับว่าอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหตุตังนั้นจิตที่อาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี้มันจึงเป็นปกติสุขอยู่ไม่ได้เลยมันย่อมได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารอันานี้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้แหละ ถ้าหาว่าจิตผูใ้ใดไปหลงยึดถือว่าเป็นของเราเนี่มันก็ทุกข์ใหญ่อย่างนี้นะร่างกายเราเจ็บไข้ไม่สบายจิตเราไม่สบายเดือดร้อนอะไรก็นี่ก็ว่ากันเป็นแต่เราแต่เขาไปไอ้คำว่าเราว่าเขามันสมมุติว่าเอาตังหาแต่ว่าโดยประมาทัตน์แล้ว มันไม่มีเรามีเขาอยู่ในนี้เลยมองดูสิมองดูด้วยปัญญาทําใจสงบระงรับด้วยดีแล้วเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยส่วนไหนเป็นของเราก็เพ่งดูแลจะรู้ได้เลยว่าไม่มีชิ้นส่วนส่วนไหนจะเป็นของตนจริงจังไม่มี มีแต่มันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่รรทามาตะก่อนนั่นมาตกแต่งธาคของมารดาบิดาผสมกันแล้วตกแต่งให้เป็นอวิวะน้อยใหญ่ต่างๆให้เกิดขึ้นสมมติกันว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาทีนี้เมื่อเราเพ่งกระจายออกดูแล้ว มันก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองเลยหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเราจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้เลย <S <S ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองนี่นะให มันยอมรับรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี่ตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าให้มันบิดเบือนไปทางอื่นสังขารไม่เที่ยงเราก็ยอมรับรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นสังขารขันหน้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากก็ทำความรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้น อย่าไปสำคัญว่าเป็ น, เ ป, นเป็นสุขสบายถึงเป็นสุขสบายได้ก็สุขชั่วคราวไม่ใช่สุขยั่งยืนอะไรเลยนี่เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้นะ น, นั่นเ่ยแม่จิตตี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็เป็นแต่ธรรมชาติรู้อย่างที่ว่านั่นเน่ยหรือเป็นธาตรู้ ไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรเลยเป็นแต่สภาวะธาตุนะแต่ธาตุอันนี้มันหักมีประสิทธิภาพเมื่อได้มาอาศัยอยู่ร่างกายนี้แล้วก็สามารถบันดาลให้เลยร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรได้ประสิทธิภาพของดวงกิจนี่ ฟันนั่นแหละให้พากันพิจารณาดูทั้งที่ไม่มีรูปร่างนะนี่แต่ความรู้สึกตอนนั้นแหละมันก็ยังบรันรดาลให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาได้เราต้องสังเกตดูคนตายนะเมื่อจิตถอนออกจา ก, กร่างแล้วอย่างนี้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาทางไหนไม่ได้เลยนี่จะนอนทอดอยู่บนพื้น ้านพื้นเรือนหรือพื้นดินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเจริญปัญญาวิพัฒนาพิจารณาร่างกายจนเห็นแจ้งตามในจริงอย่างนี้จิตมันก็ยอมรับรู้ตามความจริงแล้วก็รู้ว่าไม่ควรยึดถือขันนานี้ต่อไปควรปล่อยควรวาง ไว้ตามสภาพของมันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นอย่างนี้แล้วจิตใจก็ปล่อยวางได้จริงๆเมื่อปัญญามันเห็นแจ้งเราเมื่อปัญญามันมีอุบายเย็บใครสอนจิตนี่เข้าไปจิตนี้มันก็รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงก็ยอมรับรู้ แล้วก็จึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นี่กลัวว่าจิตนี้มันจะวางอุบเบกขาลงต่อขันธ์ห้านี้ได้มันก็ต้องเริ่มกระทำกุศลคุณงามความดีสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้มากๆเริ่มจากการให้ทานนุ่นเนี่ยมาลำดับที่สองการรักษาศีลในบริสุทธ ลำดับที่สามก็ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้นะล้วนจะเป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในจิตใจของตนจิตนี้เมื่อไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังแล้วมันจะมาละกกิเลสตัณหา อุปาทานต่างไม่ได้เลยกอให้พากันเข้าใจอย่างนี้เห็นพระพุตธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงก็เพราะทานสร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนินานแสนนานเริ่มแต่าการให้ทานเป็นต้นมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเองแล้ว้วยการ ก็พืชรำเช่อนอดทนต่อคำด่าว่าเสียสีของบุคคลอืน่นโมนี้นะก็เป็นบา ร, รมีทั้งนั้นแหลอะอดกั้นทนนานมอให้จิตวันไว้เสียใจดีใจไปตามกระแสของโลกต่างๆโมนี่นะรนั้วแต่เป็นบุญบา ร, รมีทั้งนั้นนะขอให้เข้าใจ ู้ใดไม่อดไม่ทนอดกั้นทนทานต่อสังขารทั้งหลายที่กระทบกระทั่งดวงกิจเนี่ยไม่อดไม่ทนแล้วมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดกิเลสขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นกิเลสมันก็เผาจิตใจในีให้เดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆ เป็นอย่างนั้นนี่แหละการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นทุกข์เกิดร้อนวุ่นวายเบียดเบียนซึ่งกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะเป็นผู้ไม่ฝึกจิตให้อดให้ทนต่ออำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสกระทุกกระทั่งมาจิ ต, จตนี้ก็วันไหวไปตามเลยอืม พอเสียใจก็เสียใจไปพอเศร้าโศกก็เศร้าโศกไปพอโกรธก็โกรธไปอยู่อย่างนี้นะจิตของบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมในทางศีลธรรมคําสอนของพระเจ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วเช่นนี้ใจของผู้นั้นกย็ยอมเลาะแหลกเล้วไหลไม่ตั้งมัน่น ไม่เข้มแข็งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมาละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้เลยผู้ชน ะ, ะได้ในท้องเพียรพร้อมด้วยคุณธรรมดังกล่ามานั้นเพียรพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันนี้นั่นนหละเมื่อพุทธบริษัทได้สดับสรับฟังแล้ว ให้พากันเข้าใจว่าเราสั่งสมบุญกุศลนี่เพื่อให้เป็นกําลังใจเพื่อจะได้ทําความเพียรละกิเลสเพื่อจะได้ไม่วันไหวต่อกระแสของโลกที่กระทบกระทั่งมาตั้งมั่นอยู่ได้โดยลําพังเมื่อตั้งมั่นอยู่ได้แล้วก็พิจารณาสิ่งที่มากระทบกระทั่งคิดใจนั่น ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงสิ่งทั้งพวงที่มาสัมผัสกับจิตใจนีิรวนแต่ไม่เที่ยง<อ>เกิดขึ้นแล้วก็แปลปวนแตกดับไปความจริงของสิ่งทั้งพวงก็มีเท่านี้เองเพราะนั้นเราก็ฝึกจิตใจนี้ให้สงบตั้งมั่นละใช้ปัญญาเพ่งวิณาเห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางออไว้ตามสภาพของมัน ดังนี้นะนี่และความมุ่งหมายที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทเพื่อให้ฝึกผลอบรมจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นเอาคุณธรรมฝึกจิตตรงนี้ให้มันฉลาดยอมรับรู้ความจริงของสังขารร่างกายดังกล่าวมานั้นไม่บิดเบือน ไม่หลงสมมุติไม่หลงบรญญัตินี่เป็นสมมุติก็รู้อันนี้เป็นบัญญัติก็รู้อย่างธาตุีขันธ์ห้าที่เรามาพูดกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้นะพระพุทธเจ้าส่งบัญญัติขึ้นสมมุตินั้นเช่นนายกนายขอนางขอนางงอผู้หญิงผู้ชายอ ทำนาทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรต่างๆนี้ครับหมนิล้วนแต่เป็นสมมุติเรียกว่าสมมติโลกอันนี้สมมุติกันขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มาบาังเกิดเขาก็สมมุติกันอยู่อย่างนี้แหละว่าหญิงว่าชายอะไรต่ออะไรสมมุติกันขึ้นมาอย่างนี้แหละ เมื่อพระพุทธเจ้าบาังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาไประลึกถึงบุญบา ร, รมีที่พระองค์กระทำบำเพ็ญมามาเป็นกำลังใจทำให้ใจพระองค์หนักแน่นเข้มแข็งเหมือนแผ่นพัะสุทาสามารถกำจัดพยามารและเสนามารให้พ่ายแพ้ไปจนได้ ดังที่เราก็รู้้กันอยู่แล้วนันนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทุกคนนะย่อมมีมารหัวใจทั้งนั้นเลยความโลภโกรธหลงต่างๆวันนี้เราเป็นติเป็นมารของ จ, จิตใจรบควรจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนหาความสงบระงับไม่ได้เลยนะเหตุ ด, ดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละ ทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้ออนี่หมายควาเมื่อจิตไม่รู้เท่าตามเป็นจริงในสังขารดังพวงแล้วจิตได้กระทบรับความกระทบกระทั่งกับสิ่งลังพวในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ก็วันไหวเออสียใจเศร้าโศกดังกล่าวมานั้นนะนั่นเรียกว่าใจไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังขอให้เข้าใจ ดังนั้นแหละเราผู้เป็นชาวพุทธนะควรรู้ความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้เราปฏิบัติอย่างไรทําอย่างไรนี่เราต้องรู้นั่นแหละความหมายของพระพุทธเจ้านั่นในเมื่อผู้ใด ย, ยังอินทรียบรมียังอ่อนอยู่เช่นนี้ ก็ต้องพยายามสั่งสมบุญบา ร, รมีให้มากขึ้นโดยลำดับไปแล้วพยายามเว้นจากกรรมมันชั่วซึ่งเป็นศัตรูต่อความดีคือบุญกุศลให้หมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี่อันนี้เป็นความมุ่งหมายของอุพุทธเจ้านะถ้าบุคคลใดไม่คิดจะละบาป บาก็ทำบุญก็ทำผลเปกันไปเช่นนี้แล้วนานนานถึงปานิพานนานพ้นทุกข์ขอให้เข้าใจเอาเข้าได้บาปมาในผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอาสุรกายบ้างสัตว์ดิบดิฉานบ้างเานื้อเกิดเป็นมนุษย์มาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ มีร่างกายทุกพละภาพได้รับทุกทนมรมาจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายไอ น, นี้บุคคลผู้กระทำบาปกรรมเราก็เห็นกันอยู่ดาาดื่นบาปมาให้ผลนะคนผู้ทุกพละภาพทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่ดาาดื่นแต่มนุษย์เราหานึกไหมว่า เป็นเพราะวิบากรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาแต่บางคนก็เห็นอย่างนี้แต่บางคนก็เห็นไปอย่างอื่นเห็นแล้วแต่ก็เฉยเมยเสียไม่ได้พิจารณาเตือนตนของตนว่าตนนะเมื่อตนทำบาปกรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นแล้วเสด็จได้เป็นทุกข์เดือดร้อนบาปกรรมนั่นก็จะตามสนอง ให้จนเป็นทุกข์เหมือนอย่างคนผู้นั้นแหละนี่ผู้มีปัญญาจะต้องมีอุบายสอนใจตัวเองอย่างนี้ผู้มีอุบายสอนใจอย่างนี้แต่มันถึงละบาปได้ขอให้เข้าใจผู้ไม่มีอุบายสอนใจของตนเสมอไปแล้วใจมันไม่เห็นบาปเห็นเวรอย่างจงแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ทำบาปไปได้อยู่ เรื่อยไปอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นคนเราดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วค่อยพากันพยายามสำรวมระวังสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วอย่าไปทำมันอย่าไปพูดมันแล้วบาปกรรมอะไรที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นไปเรื่อยๆมันก็ค่อยหมดไปถ้าใจเราไม่ยินดีพอใจกับบาปกรรมเหล่านั้นแล้ว ใหยพระภาวนาทีไรก็ต้องอธิษฐานใจละเว้นจากบาปกรรมเมรุต่างๆที่ได้รุ่มหลงกระทามาแต่ก่อนเสมอเสมอไปอย่างนี้นะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ทํามานั้นมันจะหมดไปมันจะไม่ได้ติดตามสนองให้เพ่นทุกข์ต่อไปนี่ความมุ่งหมายของการละ บ, บาปมันเป็นอย่างนั้น บาปใหม่เราก็ไม่ทำเข้ามาบาปเก่ากะละออกไปให้มันหมดไปอย่างนี้นะแล้วจิตใจก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษมีแต่สั่งสมบุญกุศลเข้ามาไว้ในจิตใจอย่างเดียวไม่สั่งสมบาปเข้ามาไว้ในใจ อ, อย่างนี้เมื่อมีใจที่มีแต่บุญล้นๆนเป็นเครื่องอยู่อาศัยเราก็มีกำลังเข้มแข็งกิเลสมันจะมาลุกลานมา ชักจูงให้หลงให้ง่วงอยู่ในโลกนี่มันก็ไม่ไปตามแล้ววันนี้นะไม่ไปตามอำนาจของกิเลสมันก็ยับยั้งอยู่ภายในนี่เพ่งปีนาเห็นร่างกายสังขารตามเป็นจริงแล้วก็ยูอันนี้แหละเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อมุ่งหวังให้มันมากขึ้นโดยลําดับเมื่อละบาปได้แล้วก็ทําบุญกุศลอะไรก็เป็นบุญอันบริสุทธิ์ พุทธ่องไปเรื่อยๆไปไม่มีมัวหมองบุญก็มากขึ้นโดยลําดับหมุนมากขึ้นเท่าใดก็คัดจัดบาปกิเลศอันเป็นศัตรูของบุญกุศลเนี่ยออกไปเท่านั้นเพราะจิตไม่สั่ ง, ส, งสั่งสมบาปคำแล้วบาปรมก็ไม่มีกําลังทีนี่ไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงําจิตใจได้อมไม่มีอิทธิพลอะไรดังนั้นเนี่ย เมื่อบาปกรรมดับไประ ง, งับไปแล้วนี่จิตใจก็เป็นอิสระอยู่ในบุญในคุณจิตใจก็สบายเยือกเย็นเพราะว่าบุญนี่เป็นของเย็นนะอย่างนั้นคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลก็เป็นของเย็นเมื่อได้สั่งสมไม่เกิดมีขึ้นในใจจิตใจก็สงบระ ง, งับเยือกเย็นนี่แหละเป็นบ่อกเกิดของปัญญา ที่จะให้รู้ธรรมของจริงคืออริยสัจจะทำทั้งสี่ดังที่ทุกคนก็รู้รู้ดีอยู่แล้วนั้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้